บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยะแห่งพระพุทธคุณบทสุดท้ายคือบทว่าพระกวาานั้นแปลกันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีโชคและมีพระธรรมการนำเอาพระพุทธคุณบทนี้ ไปบริกรมรมภาวนาเพื่อเกิดความสงบนั้นท่านสอนให้กระทำเช่นเดียวกับพระพุทธคุณบทอื่นคือภาวนาว่าภักกวาปักกวาหรือว่าให้เต็มว่าอิติปิโสปักว่าปักกวา่าดังนี้จนจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ด้วยพระพุทธคุณบทว่าปักกวแต่การที่จะเสริมสร้าง ความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจและอาศัยความสงบนั้นเป็นฐานเสริมสร้างสถัทธาปสาทจนถึงสามารถน้อมนำอาอกพระคุณของพระบุมีพระภาคจามาไว้ภายในตนนั้นจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจในอท้าธิบายแห่งพระพุทธคุณบทนี้คำว่าพระกวาที่ แลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยพระแกรธรรมคือคุณธรรมอันงดงามได้แก่ประการแรกทรงมีอิสริยะคือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งก็คือความเป็นใหญ่เหนือกระแสของกิเลสทั้งหลายเพราะทรงทําลายกิเลสเหล่านั้นได้หมดสิ้นอย่างที่ทราบกัน ธรรมะข้อนี้เป็นการเชี่ยวเห็นว่าแม้ในระดับที่ลดหลั่นลงมาบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสามารถที่จะปฏิบัติตนตามรอยบาทจุคนของพระพุทธองค์ได้ด้วยการพยายามสำรวมระวังเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นป้องกันจิตเอาไว้ไม่ให้เกิดความยินดี และความยินไรอย่างน้อยก็อย่าให้มากนะแต่ถ้าหากว่าสามารถทำความรู้สึกต่ออารมณ์ที่ผ่านมาว่าเป็นเพียงสักเตวรูปสักเตว่าเสียงสักเตว่ากลิ่นสักเตวรสสักเตว่าโภชภะได้ก็จะเป็นการปิดกัน้นกระแสของกิเลส ท, ทั้งสายโลภโทสะและโมหะ ไม่เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจและการที่จะทำจิตของตนให้อยู่เหนือกระแสของกิเลสอีกชั้นหนึ่งนั้นคือการกระทำด้วยสติได้เกิดความระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในข้อนี้ท่านแสดงเป็นรูปของปุกลาธิฐานว่าเวลามานมา หลอกลวงพระอริยเจ้านั้นท่านรู้ว่านี่เป็นมารแล้วมารก็อันตรธานไปนยข้อนี้บุคคลอาจนามาปฏิบัติในรูปของธมาทธทิธานคือเมื่อกิเลสมารบังเกิดขึ้นภายในจิตบุคคลมีสติรู้ทันว่านี่เป็นมารซึ่งเกิดขึ้นมาล้างผ่านทําความเล่าร้อนให้เกิดขึ้นแก่จิตใจ ก็สามารถใช้สติปิดกั้นกระแสของกิเลสสมานเหล่านั้นออกไปจากจิตได้ในกรณีที่กิเลสเหล่านั้นบางเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วบุคคลก็อาจจะใช้สัญญาะหรือวรรมะการข่มกิเลสเอาไว้แม้ลุกลามต่อไปแม้จะร่าร้อนไปบ้าง ก็เล่าร้อนเพียงที่เกิดขึ้นแต่จะไม่มีการลุกลามขึ้นภายในจิตใจเป็นต้นส่วนการประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดผลในการมีอำนาจเหนือกิเลสอย่างถาวรหรืออย่างน้อยก็ทิ้งช่วงได้นานๆ น, น, นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการฝึกปรือสร้างภูมิต้านทานให้แก่จิตด้วยการดำเนินไปตามหลัก ของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้พระศีลสมาธิปัญญาเป็นระบบเป็นระบบคาสอนและขั้นตอนแห่งการประพฏิบัติที่สามารถสร้างอำนาจเหนือกิเลสขึ้นภายในชีวิตของบุคคลได้ยามใดที่บุคคลสมบูรณ์ด้วยศีลไม่มีความบุคองในเรื่องของศีลกิเลสที่หยาบๆยาบในรูปแบบต่างๆ ก็จะครอบงมไม่ได้หรือแม้แต่แ ม, แม่ครอบงมได้แต่ก็บังคับให้แสดงอาการออกมาทางกายทางวาจาไม่ได้โดยการปฏิบัติตามหลักสมาธิที่มีนยะาต่างๆเป็นอุบายวิธีในการที่จะสงบกิเลสซึ่งเกิดขึ้นกรุ้มรุมใจประเภทนิวร์ให้บรรทอระบางลงไปได้ อย่างน้อยก็เปิดโอกาสให้จิตได้สงบเย็นได้ชั่วขณะใ ด, ดขณะหนึ่งซึ่งเป็นการดื่มรสแห่งพระธรรมอนนาไม่เห็นว่ารสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีความสามารถจนใช้ปัญญาพินิชภนะิจนาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงสามารถปล่อยสามารถวาง สามารถละความยึดติดในสังขารเหล่านั้นได้บางโอกาสหรือว่าทิ้งช่วงได้นานๆตลอดถึงเป็นการถาวรแต่ละโชคนั้นอำนวยผลให้เกิดขึ้นเป็นความสงบเจนภายในจิตของบุคคลผู้นั้นประการที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ชื่อว่ า, พ, วาพระกวาระสรงประกอบด้วยธรรมะธรรมะที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบในที่นี้ท่านหมายเอาโลกุตรธรรมทั้งเก้าประการได้แก่มรรคสีผลสีและพระนิพพานหนึ่งเรื่องมรรคผลเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติโดยเริ่มจากความไม่มีอะไรมาก่อนด้วยกันทุกคนแต่ว่าบุคคลได้อาศัยความเพียรพยายามปฏิบัติขัดเกลาจิตไปโดยลาดับ ในช่วงหนึ่งท่านเหล่านั้นก็สามารถสัมผัสมรรคผลในชั้นต่างๆได้อนุพุทธะทั้งหลายคือท่านผู้จัดสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจา้าก็เป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาที่มีชีวิตเยี่ยงสามัญชนทั่วไปบางคนก็ไม่น่าเป็นไปได้ว่าจะสามารถกลับตัวกลับใจจนสัมผัสอริยคุณได้ แต่ด้วยอำนาจบา ร, รมีในอดีตนั้นประการหนึ่งและที่สำคัญก็คือความเพียรพยายามความตั้งใจจริงของท่านในปัจจุบันท่านก็สามารถสัมผัสโลกุตรธรรมได้และโลกุตรธรรมนั้นเป็นธรรมะที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในด้านศีลสมาธิปัญญานั่นเองเมื่อบุคคลใดก็ตาม สามารถทําจิตใจของตนให้มีความเชื่อมั่นไม่หวันไหวในพระพุทธเจา้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและควบคุมจิตของตนไว้ได้ไม่ให้กระทบอะไรง่ายจนเกินไปคือไม่ไวต่อความโกรธความโลภความหลงได้ง่ายในขณะนั้นชื่อว่า จิตของผู้ปฏิบัติได้ฐานที่มั่นคงซึ่งสามารถรองรับคุณงามความดีเบื้องสูงขึ้นไปได้และยามใดที่บุคคลปฏิบัติขัดเกา่าจนสามารถถ่ายถอนความยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาหรือว่าเป็นพวกเราพวกเขาออกไปไม่มีความสงสัยในขันในธาตุในอายตนะทั้งหลาย ในขณะนั้นก็ชื่อว่าได้ละสังโยชน์ข้อแรกออกไปจากจิตได้เวลาใดที่บุคคลขจัดความลังเลสงสัยในพรนัตนตรัยเป็นต้นออกไปจากจิตแม้จะประสบกับการกระทําที่เป็นปฏิปัติต่อศรัทธาของตนที่มีอยู่ในพรนัตนตรยัยจิตใจของบุคคล น, นั้นก็ไม่หวั่นไหวไปตามปัจจัยภายนอกเหล่านั้น เราสามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นพระรัตนาจัยอะไรเป็นเปลือกเป็นกระพีของพระราชนาจัยและบุคคลใดที่สามารถลักความยึดติดในรูปแบบพิธีกรรมต่างๆที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลหรือการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง ซึ่งเป็นความยึดถือที่ขังตัวเองเอาไว้ในจุดอับอับแคบแคบและความเชื่อถือในข้อปฏิบัติที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลด้วยหลักการวิธีการที่ถูกต้องถ้าหากว่าบุคคลละความยึดถือทั้งสามประการนี้ออกไปได้ก็ชื่อว่าสัมผัสโลกุตระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระ เ, รเจ้าทั้งหลาย ได้สัมผัสมาแล้วถึงแม้ว่าจะละไม่ได้โดยเด็ดขาดก็ตามแต่การที่บุคคลพยายามใช้ปัญญาวิเคราะห์พินิจพิจารณาสิ่งต่างๆโดยเหตุโดยผลอยู่ก็สามารถแยกสามารถรวมความยึดความถือได้สามารถบรรเทาความสงสัยได้และสามารถใช้เหตุผลเวลาประสบกับปัญหาในลักษณะที่ เป็นศีลเป็นวัดเป็นถือครังถือศักดิ์สิทธิ์ถือเลิกภานาทีเป็นต้นได้อย่างน้อยโอกาสที่จะสัมผัสโลกุตระโลกุตระธรรมก็จะใกล้ขึ้นสำหรับบุคคลผู้นั้นแม้ในชั้นที่ประนีตขึ้นไปผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงละได้โดยเด็ดขาดในชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติเอง ก็สามารถบันเทาได้ยับยั้งได้ระ ง, งับไปได้เช่นสังโยชน์ที่พระนาคามีธนละได้เพิ่มขึ้นจากสองข้อที่กล่าวแล้วคือการมราคะความกำหนัดในวัตถุการมคือการที่จิตไปปักว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะ ก, กลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องแล้วจิตก็สายไปด้วยอานาจความอยาก ความใคร่ความปรารถนาในรู ป, ปรวัตถุเหล่านั้นบางครั้งผู้มีปัญญาพินิษฐพิจารณามองโดยเหตุโดยผลแล้วก็ยับยั้งความปรารถนาเหล่านั้นออกไปได้เหมือนกันแต่ยามใดที่บรรพาความรู้สึกใคร่ยินดีต้องการออกไปจิตใจก็จะเป็นอิสระมีความปร่งเบาบางเกิดขึ้นซึ่งสามารถสัมผัสได้บางขณะในชีวิตประจวัน และแม้แต่ปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งความงุ่น ง, งานความไม่พอใจที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกบ้างจากอารมณ์ที่ขูนมัวภายในจิตบ้างแต่มีสติระลึกทันมีปัญญาตัดกระแสะความคิดตัวนั้นออกไปทำใจให้สงบเย็นลงได้โดยเมตตาบ้างดูเบคาบ้างหรือด้วยกรุณาบ้างซึ่งธรรมเหล่านี้คนก็ สามารถสัมผัสกันได้ในชีวิตประจำวันบางขณะบางโอกาสแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระเยซเจ้าทั้งหลายนั้นท่านสามารถตัดขาดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นเองซึ่งผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยพระธรรมในข้อต่อไปคือกามะคำว่ากามะนั้นเป็นคำกลางๆใช้ในความหมายไหนก็ได้ ใช้ในความหมายที่ไม่ดีก็ได้ในส่วนดีก็ได้เช่นธรรมกาโมพวังโขติผู้ใคร่ทำเป็นผู้เจริญคำนี้ก็ใช้ในความหมายที่ดีกามะในที่นี้จึงหมายถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำนงหวังสิ่งอะไรแล้วก็จะได้ตามที่ทรงจำนงหวังนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้น พระองค์เป็นผู้ใคร่ต่อการสัตยรู้เป็นเบื้องหน้าซึ่งคุณธรรมทั้งสองประการนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลผู้ปรารถนาที่จะสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าด้วยใจและปรารถนาจะสงบระงับดับเวรไภยเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์จำเป็นจะต้องปลุกฝังความพอใจในธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ ธรรมะนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ทวนกระแสะโลกทุกข้อไปซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมีความพอใจในธรรมะอย่างสูงสามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นคุณของธรรมะอะไรเป็นโทษของความไม่มีธรรมะมองเห็นคุณแห่งธรรมะได้อย่างชัดเจนมองเห็นโทษแห่งอาธรรมโดยประจักษ์แก่ใจ ด้วยอาศัยปัญญาที่มองเห็นความแตกต่างระหว่างธรรมะกับอาธรรมเช่นนี้จะช่วยให้ความพอใจในกุศลธรรมเกิดขึ้นสูงภายในจิตของบุคคลผู้นั้นทำให้สามารถเพียนพยายามที่จะละฝ่ายอกุศลออกไปและปฏิบัติในส่วนที่เป็นกุศลเมื่อทำได้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นการประกอบเพจเพื่อบรรลุผล ที่ตนต้องการผลทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุเมื่อบุคคลต้องการเหตุที่ดีที่เจริญก็ต้องประกอบเหตุที่ดีที่เจริญเช่นเดียวกันได้เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยอเนกกระปรียย้ยอย่างเช่นความสาเร็จตามเป้าหมายที่คนต้องการนั้น จะทรงแสดงถึงเรื่องของอิธิบาทภาวนาทั้งสี่ประการอิธิบาทนี้เป็นธรรมะที่ใช้ในขั้นตอนต่างๆจนแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงใช้เป็นประจำโดยทรงแสดงอ น, นิสงส์งไว้เันเกกระปริยายคือในยต่างๆแต่ในขณะเดียวกันชั้นทั่วๆไป ขีดชันของการปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิและเจริญวิปัสสนานั้นอิธิบาทยังคงเป็นอุปการะธรรมที่สําคัญซึ่งบุคคลจะต้องเริ่มด้วยชันทะคือความพอใจในกุศลธรรมทั้งหลายอันได้แก่กรรมคือความใคร่ความยินดีในกุศลธรรมนั่นเองและเมื่อปลูกฝังความพอใจแล้วก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอเจใส ใช้ปัญญาหมั่นพินิจพิจารณาอยู่สม่ำเสมอซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้ถ้าหากว่าพลังแห่งธรรมะมีมากพอแล้วบุคคลสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของตนและในอิริยาบถ ต, ต่างๆโดยตัววิมังสาจะพิพนิจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พิจารณาเสียก่อน และแม้แต่ตัวจะแสดงออกไปก็พิจารณาซสีก่อนถ้าเห็นว่าอะไรมีความไม่เหมาะไม่ควรจุวิบังศาซึ่งเป็นตัวปัญญาก็จะตัดกระแสของความคิดที่จะพูดที่จะทำที่จะแสดงเรื่องเหล่านั้นออกไปเพราะมีผลเสียคือสร้างความเดือดร้อนแก่ตนและแก่บุคคลอื่นธรรมะทั้งสี่ประการนี้จึงเป็นคุณธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นในชั้นใดก็ตามคือในชั้นของการศึกษาเรียนประพฤติปฏิบัติจนถึงกับบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างที่กล่าวแล้วด้วยอาศัยคุณธรรมข้อนี้จะทำให้บุคคลสามารถสัมผัสแม้โลกุตรธรรมที่กล่าวในตอนต้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงประกอบด้วยสิริคือความสมบูรณ์แห่งอังคาประยกต์ ได้แก่มีพระรูปโฉมสวยงามดังที่ทราบกันว่าประกอบด้วยมหาปุริสละลักษณะ32ประการนั่นเองแต่ความงามแห่งรู ป, ปรกายนั้นแม้ความงามของพระพุทธองค์เองก็ทรงแสดงให้ผู้ฟังประจกักษ์ชัดว่าเป็นโรกานิถังคือเป็นรังของโรคเป็นประพังกุนังคือจะต้องเปือ่อยจะต้องผุพังไปเพราะว่ากะลิเถระ มีความติดประทายในพระรูปโฉมงดงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบวชมาเพื่อได้ดูพระพักของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรอความแก่รอบแผงยานของท่านอยู่ไม่ได้รับสั่งอะไรเมื่อเห็นว่ายานปัญญาของท่านแก่กล้าพอที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจได้แล้ว จึงได้รับสั่งเป็นทานองขับไล่ว่าวัะลิพิคุจงถอยออกไปจะมาดูใยร่างกายแต่ถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเราจะถาคตคือธรรมกายซึ่งก็หมายความว่าพระสีชมอัน ง, งดงามของพระพุทธเจ้านั้นก็คือการประชุมแห่งขันาธาตุอาญาตนะเท่านั้นเอง แต่ความงามที่แท้จริงของพระพุทธองค์ไม่ได้อยู่ที่พระรูปกายแต่กลับอยู่ที่ตัวธรรมะซึ่งเป็นธรรมกายในชั้นนี้โลกนิยมกันนั้นท่านกำหนดความงามไว้เป็นสี่ชั้นด้วยกันใครได้รูปงามมาในตอนต้นก็ถือว่าเป็นกุศลกรรมของบุคคลผู้นั้นไปแต่ว่าในขณะเดียวกันความงามนั้นได้ประนีตขึ้นไปโดยลำดับ ความงามชั้นแรกเป็นความงามที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอภรรตซึ่งประดับตกแต่งตามความนิยมในยุคในสมัยนั้นอย่างที่พูดกันว่ากายงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งความงามในชั้นนี้จะดำรงอายุได้ไม่กี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนแปลงไปความงามชั้นที่สองคือความงามในด้านสวดทรงสันฐานอวัยวะร่างกายของบุคคลผู้นัน้นที่ท่านใช้คาว่าสิริในที่นี้ ซึ่งในที่สุดก็ต้องเปลื่อยเน่าผุพังไปตามการเป็นรังของโรคเป็นของเปลื่อยเน่าเป็นปฏิกูลโดยสวดมีสีเป็นต้นความงามในชั้นต่อไปเป็นงามกิริยาบัญญาที่แสดงออกมาสร้างความประทับใจแก่บุคคลอื่นซึ่งมีอายุได้ยืนนานตลอดชีวิตของบุคคลผู้นั้น แต่ความงามที่ถือว่าสําคัญที่สุดคืองามที่จิตใจได้แก่จิตใจที่มีธรรมะเป็นตัวคุ้มครองแสดงออกมาได้เป็นลักษณะของธรรมะไม่ว่าจะทั้งกายทั้งทางกายทางวาจาหรือแม้แต่ความนึกคิดในขณะนั้นก็ตามเพราะความงามในชั้นนี้สามารถเผื่อแผ่ออกไปได้แก่คนอื่นตัวเองงามแล้วสร้างความงามให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นได้ด้วย คุณธรรมข้อนี้คนทั่วไปสามารถที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้เช่นเดียวกันและประการต่อไปคือะยะสยศพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ทราบกันยอดนั้นท่านจำแนกออกไว้เป็นสามประเภทใหญ่คืออิสยะความเป็นใหญ่เกียรติเกียรติหรือกิตติคุณ ได้แก่การยกย่องสรรเสริญและบริวารยศคือความมีพวกมากประการสำคัญที่สุดของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือทรงเป็นใหญ่เนื้อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงชื่อว่าเป็นเชษฐบุคคลคือเป็นพี่ของสัตว์โลกทั้งหลายโดยทรงอุปมาให้ท่านเวรันเจพรามทราบว่าสัตว์โลกทั้งมว น, นั้น ถูกคุ้มคออยู่ด้วยกระเปาะฟองคืออวิชาเปรียบเหมือนลูกไก่ที่ถูกคุ้มอยู่ในกระเปะ๋าฟองไข่พระองค์เป็นผู้ทำลายกระเปาะฟองเกลืออวิชาออกมาได้ก่อนพระองค์จึงชื่อว่าเป็นพี่เป็นเชิดบุคคลในโลกนี้ซึ่งอยู่ในฐานะสูงส่งกว่าคนทั่วไ ป, ปเทนี้เองพระพุทธเจ้าจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะไหวสั ก, กระบุคคลอื่นได้ พระทรงพี่ของสัตว์ทรงเป็นพี่ของสัตว์โลกทั้งหมดเนื่องจากทําลายกระเปาะฟองคือวิชาออกมาได้ก่อนส่วนพระเกียรติยศนั้นเกิดขึ้นจากคุณธรรมความดีของพระองค์บริวารยศเป็นความสมัครใจของคนเหล่านั้นที่เข้ามานับถือพระผู้มีพระภาคเจา้าด้วยศรัทธาประสาทต่อคุณธรรมความดีของพระองค์เองคุณธรรม ที่เป็นยศทั้งสามประการนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันประการสำคัญอยู่ที่ว่าบุคคลจะทำตนเองให้มียศขึ้นคือใหญ่เป็นใหญ่เหนืออำนาจกิเลสอารมณ์ให้ได้และที่สำคัญก็คือว่าไม่ต้องไม่ดูหมิ่นตัวเองเพราะคนเราดูหมิ่นตัวเองก่อนแล้วจึงถูกคนอื่นเขาดูหมิน่นแต่ถ้าบุคคลประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่ ยกย่องตนเองยกระดับชีวิตพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นเกียรติยศและบริวารก็จะติดตามมาคุณธรรมประการต่อไปท่านใช้คำว่าประยัติ์ที่แปลว่าความเพียรซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวความเพียร น, นั้นมาอยู่หลังสุดเพราะผลทั้งมวลที่กล่าวมาแล้ว5้าประการนั้นไม่จะเกิดขึ้นด้วยการดนบันดาลหรือการรังสรร์ จ, จากอานาจพิเศษอะไร แต่เป็นเรื่องของความเพียรพยายามทั้งหมดพระพุมีพระภาคเจ้าเองทรงสร้างสมอบรมบา ร, รมีมาในอดีตการเป็นอันมากด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งบางครั้งจนถึงกับยอมตายหรือยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบรรลุผลที่ทรงมุ่งหวังเอาไว้และในพระชนปัจจุบันคือก่อนที่จะสัสรุเป็นพระพุทธเจ้า ก็ทรงดำเนินไปด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าขนาดบางครั้งจวนจะตายไม่ตายแหลได้ซ้าไปแต่ว่าในที่สุดก็ได้บรรลุผลที่ทรงมุ่งหวังเอาไว้คือการตัดสุลหลังจากตัดสุลไปแล้วทรงมีความอุตสาหะอย่างสูงที่จะรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากกระแสของกิเลสกระแสของความทุกข์ทั้งหลาย ได้เสด็จไปในคามนิคมชนบทราชธานีต่างๆทรงทำงานโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากส่วนพระองค์มีเวลาพักวัน24ชั่วโมงเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นเองึงจะเห็นได้ว่าการกระทำงานในลักษณะนี้เป็นการกระทำงานด้วยความเพียรที่ยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษที่บังเกิดขึ้นมาเพื่อโลกการบังเกิดขึ้น ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เพียงพระองค์เดียวจึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่โลกเป็นนั้นมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยพระกธรรมทั้งหกประการดังที่กล่าวอั น, นี้เหตุนั้นพระโบราณอาจารย์จึงกล่าวสรรเสริญว่าทรงประกอบด้วยพระแกธรรมเป็นผู้มีโชคอันเป็นคุณสมบัติ ที่จะนำผู้กำหนดรุลึกถึงพระพุทธคุณบทนี้ให้มีความสงบได้และเมื่อพิจารณาถึงพระคุณสมบัติทั้งหกประการดังกล่าวแล้วความศรัทธาภาษาะก็จะเกิดสูงขึ้นภายในจิตใ จ, จของตนความภาคภูมิเอิบอิ่มก็จะเกิดขึ้นว่าเป็นลาภของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ซึ่งมีศาสดาอันสูงส่งด้วยคุณธรรมเห็นปานนี้และเพียปรปยามที่จะน้อมนำเอาพระคุณสมบัติเหล่านั้นมาเป็นหลักในการปฏิบัติคุ้มครองใจตนเองเพื่อสัมผัสคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจเมื่อบุคคลสามารถทำได้ในระดับใดก็ตามความสะอาดความสงบเห็น ความสว่างในทางชีวิตก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป